ความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนา่าโดยย่อก็มีแค่2 อ, อย่างเท่านั้นเลยนะคือทุกกายกับทุกใจทุกกายมันก็มีสาเหตุต่างๆมากมายเช่นหิวโหวยเจ็บป่วยโดนน้ำร้อนลวกยุงกัดสัตว์ทำร้ายโดนของแหลม หรือว่าโดนแดดร้อนอันนี้ทำให้ทุกข์กายสาเหตุมีมากมายส่วนทุกข์ใจเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีสาเหตุประการเดียวเท่านั้นแหละก็คือเป็นเพราะความคิดเงินหายนะถ้าไม่คิดถึงมันก็ไม่ทุกข์นะ คนรักตายจากถ้าไม่คิดถึงเขานะก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าใครด่าว่าไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำที่รุนแรงแค่ไหนถ้าไม่ไปคิดถึงคำพูดหรือการกระทําของเขานะมันก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธ ลองดูดีๆนะถ้าพูดถึงทุกข์ใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่เรียกว่าไม่เรียกว่ารเ็นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความคิดไม่ว่าความทุกข์นั้นมันจะแสดงอาการออกมาในรนะูปของความโกรธความเกลียดความเศร้าความเสียใจความรับแค้นใจน้อยเนื้อต่ําใจรวมทั้งความโลภความอยากได้ไม่พอใจในสิ่งที่มี มันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดนะและความคิดตัวสําคัญหรือความคิดในเรื่องสําคัญสำคัญที่ทําให้เราทุกข์ก็คือคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วถ้าเป็นการคิดแบบไคร่ครวนวก็เรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่คิดแบบกล้ำครวนหรือว่าเผลอคิดไปคิดถึงเงินที่ถูกโกง คิดถึงคนรักที่ตายจากเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วพอใจหวนคิดนะก็เสียใจอะไรหรือแม้แต่จะคิดถึงวันวานอันหวานชื่นนะที่เคยสนุกสนานแต่ว่ามันหวนมันผ่านไปแบบไม่มีวันกลับ ก็เสียดายอะไรอววันั้นทาไมคิดถึงเรื่องอดีตก็อนาคตอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าสร้างภาพเอาไว้ร่วมหน้าอย่างคนที่ไปตรวจสุขภาพประมอนนัด ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีก3วันมารับผลมาดูผล <c oughs> หรือว่าเอ็กซเรย์ซีทนะีสแกนเพื่อหามะเร็งหมอนัดนะให้มารับผลมาฟังผลในอีกสองสวันข้างหน้านะพอคิดไปว่าเนี่ยผลมันอาจจะอดอาจอาจะ อ, ออกมานะ เป็นลบลบในที่นี้หมายถึงว่าเป็นโรคร้ายนะไม่ใช่เลือกเป็นลบน ะ, ะถ้าเลือกเป็นลบนี่ใครๆก็ดีใจพอส่วนใหญ่กลัวเลือกเป็นบวกหรือไปตัวเลือกก็ตามนะกลัวว่าผลตัวเลือกจะเป็นบวกคือเป็นเอดเชไอวีเพียงแค่คิดเท่านั้นแหละนะว่าผลมันจับมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ กังวลหนักใจนอนไม่หลับคันไปฟังผลหมอบอกไม่เป็นอะไรนะเลือดเป็นลบเนื้อรายก็ไม่มีก็โล่งใจทันทีหรือคนที่เจ็บป่วยอาจจะเป็นมะเร็งระยะหนึ่งระยะสองแต่ว่าไปนึกถึงภาพของคนที่เคยเป็นมะเร็งหรือคนที่กำลังเป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย ใกล้ตายมีอาการเจ็บปวดสายระยองระยางร่างกายผ่ายผอมไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอนึกว่าตัวเองอีกไม่นานจะเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดความกลัวตื่นตอนหนกหรือวาอ่าถึงกับเศร้าซึมไปเลยก็ได้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะคิดเรื่องอดีต กับอนาคตรหรือบางทีก็คิดถึงเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันแต่ว่าเป็นปัจจุบันแบบปรุงแต่งเช่นเราแวงว่าหรือปรุงแต่งไปว่าแฟนกำลังนอกใจเพื่อนกำลังจะคดโกงนะหรือหาทางเล่นงานเลื่อยขาเก้าอี้ เห็นถ้าทีเขามีพิรุษเขาพูดซุบซิบนินทาหรือว่าเห็นแฟนคนรักนก็ง่วนอยู่กับอ่าโทรศัพท์มือถือไม่ยอมให้เราได้เข้าใกล้เหมือนกับว่ามีความลับก็ปรุงแต่งไปเลยนะว่าเขากำลังนอกใจหรือว่าเพื่อนนี่กำลังคบคิดนะ ที่จะทรยศหักหลังเรานอนอยู่ในกุฏินะได้ยินเสียงกรอบกับกรอบ ก, บกับข้างนอกมันก็เสียงคนเดิอนอยู่รอบกุฏิก็ปรุงแต่งไปเลยนะว่าเป็นคนร้ายนะที่ไม่ประสงค์ดีกับเราหรือเปล่าจะมาปนเอาทรัพย์เราไหมหรือว่าเป็นผี อันเนี้ยก็คือความปรุงแต่งความคิดเมื่อมันปรุงแต่งแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกลัวนะจนนอนไม่หลับนะนี่ก็เป็นทุกข์ใจแบบหนึ่งนะทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งมันปรุงแต่งจากรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่รับรู้ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบันแต่ว่าเป็นปัจจุบันที่ มีการปรุงแต่งต่อเติมเข้าไปซึ่งทำให้เกิดความกลัวทำให้เกิดความระแวงทำให้เกิดความตื่นตหนกบางทีก็ทุกข์เพราะมองแง่ลบคิดไปในทางลบหรือมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของเพื่อนก็ทำให้ไม่ไว้วางใจเขา หรือทำให้เกลียดชังเขาบางทีก็คิดหรือมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของสถานที่ได้กุฏิได้ที่พักก็เห็นแต่ความไม่ดีของกุฏินั้นเช่นอยู่ไกลคับแคบมีแมงมุมมีตุกแกหรือว่าน้ำไฟไม่สะดวกหเห็นแต่ด้านลบของ กุติที่พักก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดถ้านั้นไม่พ อ, อยังนึกเปรียบเทียบว่าเพื่อนเราหรือคนอื่นเขาได้กุติที่ดีกว่ากุติเขาอยู่ใกล้กุติเขาใหม่ห้องน้ําก็ดีอันนี้ก็ยิ่งทาให้เป็นทุกข์เข้าไปใหญ่เกิดความอิจฉาเกิดความไม่พอใจอผู้คนจำนวนมากก็ทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะนะ ถ้าไม่มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของเพื่อนของสถานที่ก็มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของตัวเองไม่มีความสามารถหรือว่าไม่สวยขี้เรศทำอะไรก็ไม่เป็นไม่ทันกดนิ่วเข้าเนี่ย คือมองเห็นแต่ด้านลบของตัวเองก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจหรือว่าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมานี่ก็เป็นทุกข์ใจอีกแบบหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับคนจานวนไม่น้อยโดยเพราะในปัจจุบันผู้คนให้ค่าให้ราคากับรูปร่างหน้าตาสุดทงมากหลายคนก็เป็นทุกข์พอเห็นแต่ในส่วนที่ไม่ดีของตัว เห็นสิวเห็นฟ้านะเห็นผิวที่ไม่เนียนไม่ขาวยิ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่เพราะเขาหน้าตามหมดจดนะผมดำสลวยผิวขาวเนียนก็ยิ่งเกิดความทุกเกิดความไม่พอใจกลุ่มอกกุ้มใจกันเพราะเห็นนี้ก็มาก คนที่เป็นแม่ก็เห็นแต่ด้านลบของลูกเรียนก็ไม่เก่งหรือว่ า, าไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงไม่ทันคนพูดก็ไม่เพราะหรือว่าไม่รู้จักพูดให้มันเข้า อ, อกเข้าใจ นะอันนี้ก็ทําให้คนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อนีิทุกได้ลูกคนอื่นเขาเดินหมอนะแต่ว่าทําไมลูกเรามันได้แค่เรียนครูนะกลุ้มใจนี่เป็นทุูปความเปรียบเทียบคิดเปรียบเทียบนะลองพิจารณาดูเถะนะ แม้แต่นักปฏิบัติธรรมนะก็อดคิดอ่ะเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้ว่าเขาขยันกว่าเราหรือว่าเขาครูบาอาจารย์เอาใจใส่เขามากกว่าเราแนละ้วเกิดความวิตฉ้าแล้วก็เกิดควา ม, าววามน้อเนื้อต่ําใจหรือบางทีก็เกิดความโลภเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่มีเคยไปบรรยาย บรรยายเสร็จก็เอาหนังสือธรรมะมาแจกทีแรกก็เอาหนังสือเล่มเล็กๆมาแจกก่อนก็คิดว่าจะพอปรากฏไม่พอหนังสือหมดอเพื่นมีหนังสือเล่มเล่มใหญ่กว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กติดมาด้วยเึิงหนึก็เอามาแจกปรา่าคนที่ได้เล่มเล็กทีแรกดีใจนะแต่ก็เห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่ ก็เสียใจมีบางคนท่าก็บอกว่ามาหาบอกว่าขอเปลี่ยนเอาเล่มใหญ่ได้ไหมนะเล่มเล็กยังไม่ทันอ่านเลยนะแต่อยากได้เล่มใหญ่ซะแล้วไม่ได้ดูเลยว่าเอเล่มเล็กนี่เนื้อหาเป็นอย่างไรเนื้อหาอาจจะดีกว่าเล่มใหญ่ก็ได้แต่ว่าเห็นแค่ว่ามันใหญ่กว่าส่วนคนอื่ก็ได้เล่มใหญ่แต่เราได้เล่มเล็กนะไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา อดรนทนไม่ได้มาขอเปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นนะความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบแล้วก็ทําให้ไม่พอใจในสิ่งที่มีมันเป็นเรื่องการมองเป็นเรื่องการคิดนะซึ่งทําให้ผู้คนมีความทุกข์มากแล้วทำไงถึงจะไม่ทุกข์ใจนะก็ ให้รู้จักรู้เท่าทาันความคิดของตัวเองมากขึ้นที่จริงถ้าพิจารณาให้ละเอียดไปอีกหน่อยนะก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่ทูกเพราะความคิดนะแต่มันมันยิ่งกว่านั้นคือมันมีความยึดติดด้วยเพียงแค่คิดแล้วก็วางได้มันก็ไม่ทุกข์แต่ว่าปัญหาคือพอคิดแล้วเนี่ยไปไปยึดติด ในความคิดนั้นจมปักขวางความคิดนั้นแบกความคิดนั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตการมองแง่ลบนะรุงแต่งเปรียบเทียบถ้ารู้ทันนะมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอไปไปเฉยไปจับไปไปยึดเอาไว้นะมันก็ทำให้ทุกข์ขึ้นมาทันที อันนี้รวมไถึงความเจ็บความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าตอนนี้หรือว่าเวลาไหนก็ตามความเจ็บความปวดความเมื่อยนี่มันก็เป็นทุกขเวทนาทางกายนะแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดความทุกข์ในใจตามมาด้วยน้อยคนนะที่จะปว่วยปวดกายแต่ว่าไม่ปวดใจน้อยคนที่ ทุกกายแล้วไม่ทุกใจทำไมถึงมีความทุกข์ใจตามมาก็เพราะว่าใจมันไปยึดกับเวทนานั้นไปช่วยไปยึดกับเวทนายึดว่าเป็นเราเพียงของเรานะควาว่ายึดเนี่ยยึดติดในพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความหมายว่ายึดว่าเป็นเราเพียงของเรา ไม่ว่าจะเป็นการยึดสิ่งที่ดีเช่นทรัพย์สมบัติลูกเมียชื่อเสียงสถานะตำแหน่งแต่เราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดเนะช่นความปวดความเมื่อยเนี่ยนะเราไม่ชอบเราอยากให้มันหายไปแต่ว่าใจเราลกลับไปยึดมันยึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดว่า พอยึดเสร็จเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความรู้สึกว่าฉันปวดฉันเมื่อยมันไม่ใช่แค่กายปวดกายเมื่อยแต่ว่าฉันปวดฉันเมื่อยความโกรัวความเกลียดก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นกับใครมันก็เผาลนจิตใจมันก็ทิ่มแทงจิตใจนักปฏิบัติไม่ชอบมากเลยนะความกรัวความเกลียดแต่ก็ทุกข์เพราะความกลัวความเกลียดเพราะอะไรพเพราะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ครูบาอาจารย์ที่ท่านก็นใช้คาว่าไปเข้าไปเป็นไปเข้าไปเป็นแทนที่จะเห็นความปวดนะแทนที่จะเห็นความโกรธก็ไปเป็นผู้ปวดผู้โกรธนะเข้าไปเป็นกนี่คือการเข้าไปยึดนะว่าเป็นเราเป็นของเราลองพิจารณาดูวยดีถนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะ ในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ว่าดูเข้าไปกทีเนี่ยมันมีความยึดเข้าไปด้วยถ้าคิดแล้วรู้ทันรู้ระหว่างนี่มันไม่เกิดอะไรขึ้นใจก็เป็นปกติได้แต่ปัญหาคือว่าที่แรกคิดเพราะเผลอแล้วท่านั้นยังไม่พอก็ยังเผลอไปยึดมันอีกนะหลวงพ่อชาท่านท่านพูดสรุปไว้ดีมากว่าทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยาก ทุกมากเพราะปล่อยและท่านก็พูดต่อไปว่าทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะเมื่อทุกมีเพราะยึดนะความทุกจะหายไปก็เพราะการปล่อยอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องเดียวกับนะที่พระ เ, เจ้าก็เคยสอนพระนันทิยาเอาไวนะ้พระนันทิญานี่ ท่านเป็นลูกเศรษฐีนะที่มาบวชเพราะว่าเห็นความไม่จรหลังของชีวิตเห็นเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอายุรุ่นลาข่าวเดียวกันป่วยตายก็เกิดความโสดสังเวช ท, ทีแรกก็เกิดศรัทธาในธรรมะอยู่แล้วจากการได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้า แล้วก็อยากบวชแต่แม่ไม่ให้บวชไม่เบื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาเจอเพื่อนตายอายุก็ยังแค่ยี่สิบกว่าก็เกิดความสลดสังเวชรู้สึกว่าเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาของเราก็อาจจะเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความมุ่งมั่นที่จะบวชแม่ไม่ยอมให้บวชก็ ถึงกับอดอาหารจนร่างกายผายผอมสุดท้ายแม่ก็ยอมนะลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวก็ยอมให้บวชนะพะนันทิยานี่ท่านก็ตั้งใจบวชนะแล้วก็วันหนึ่งพระองค์ครีมานก็ซึ่งเพิ่งบวชมือนกันเพิ่งรู้จักท่านก็ อยากจะฟังธรรมจากท่านให้ช่วยเล่าหน่อยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพนันทิยก็เล่าเนี่ยที่ได้ยินมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะว่าให้ปล่อยให้วางทั้งข้างหลังและข้างหน้าและท่ากลางไม่ยึดติดอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะ ปัจจุบันก็ไม่ยึดติดนะไม่ใช่แค่ไม่ยึดติดอดีตและอนาคตปัจจุบันก็อย่ายึดติดด้วยอารมณ์ใดที่พอใจหรืออารมณ์ใดที่ไม่น่าพอใจก็ให้วางไว้ตรงนั้นอย่าเก็บอย่าแบกบเอาไปด้วยเนีไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะอารมณ์ที่น่าพอใจนะที่เกิดจากรูปรกสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ให้วางเอาไว้ รับรู้ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นแหละอย่านำอย่าเก็บเอาไปแบกเอาไว้ท่านก็พูดต่อไปว่าเขาว่าเราบนบกก็ให้วางลงตรงนั้นอย่าเอาลงน้ำนะเขาว่าอะไรในน้ำก็วางลงตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบกวางอะไรก็คือวางทาพูดนะเขาพูดอะไรไปก็วางตรงนั้นแหละนะไม่เก็บเอามาคิดนะ เขาว่าเราในเมืองก็วางไว้ตรงนั้นอย่าเก็บเอาไปเชต ว, วันด้วยล้วพวกเราเนี่ยวางเนี่ยวางแล้วยังเนี่วางไว้ที่หน้าวัดหรือยังหรือว่ายังเก็บมาจนถึงวันนี้นะให้อารมณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจความเสื่อมความเสียคำพูดที่ จ็ปวดทิ่มแทงใจระวังเอาไว้นะที่บ้านหรือตรงที่เกิดเหตุหรือเปล่าหรือว่าเอามาถึงตรงนี้ด้วยนะอันนี้ส่วนขยายนะแต่ส่วนที่ท่านท่านนันทิยาพูดเนี่ยก็ก็พูดตรงนี้แหละนะว่าเขาวางไว้เขาว่าตรงไหนก็วางตรงนั้นไม่เอาเก็บไปด้วยไม่เอามาแบกเอาไว้ นันนี้เป็นคำคำสอนที่ที่ง่ายมากนะที่เข้าใจง่ายนะก็คือว่าคนเราทุกเนี่ยเพราะแบกนะไม่ว่าอารมณ์อิทธารมหรืออนิธารมไม่ว่าอาดีตปัจจุบันหรืออนาคตแล้วทำไงถึงจะไม่ทุกนะก็วางลงซ ะ, ะใจนี่วางนะ แต่ทำไมคนเราเนี่ยถึงไม่ยอมวางก็ตอบง่ายๆว่าความหลงความไม่รู้มันหลงตั้งแต่ตอนเผลอคิดไปแล้วละ่ะเรื่องอดิษอนาคตเผลอปรุงแต่งเผลอเท่าไหร่ไม่พอก็ยังไปแบกไปยึดเอาไวนะ้คนเราถ้าหากว่ารู้ตัวเมื่อไหร่นะว่าแบกเอาไว้เนี่ยแล้วรู้ว่าแบกแล้วทุกนี้มันวางนะ คราวนึงเนี่ยมีนายตำรวจคนหนึ่งนะเป็นนายตำรวจที่ซื่อสัตย์นะไม่ทุจริตก็มามากราบหลวงพ่อชานะสุภัสโทที่วัดหนองประพง์เลยแล้วก็มาบ่นมาระบายนะเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้งนะถูกเจ้านายนะขัดขวาง ถูกเพื่อนกล่าวหาเลื่อยขาเก้าอี้นะอันนี้เป็นทุกข์ของคนดีโดยเฉพาะในระบบราชการก็มาระบายให้หลวงพ่อชาฟังเนี่ยนานถึง40นาทีมีแต่เรื่องทุกข์หลวงพ่อชาท่านก็นั่งฟังนะท่านไม่ไม่ไม่ซักไม่ไม่เบรกอะไรเลยท่านทนมาก เสร็จแล้วท่านก็ถามในายตลรวจคนนี้นะว่านั่นเห็นก้อนเห็นก้อนนั้นไหมเห็นครับมันหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับอ่าถ้าไม่ไหวก็อย่าอย่าแบกมันสินี่อันนี้เนี่ยท่านนะเตือนสตินายตำรวจคนนั้นนะว่า ไอ้ที่ทุกเนี่ยที่คุณทุกเนี่ยเพราะคุณไปแบกเอาไว้คุณบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วคุณก็ยังไปแบกมาอีกในตัวเราคนนั้นก็ได้สติเลยนะโอ้นี่เราทุกเพราะเราแบกแท้ใครก็จะทําอะไรกับเราใครก็จะพูดแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปแบกเอาการกระทําคําพูดของเขามาไว้ในใจเราก็ไม่ทุกนั่นก็ช่วยทําให้นา น, นตัวคนนั้ น, นี่ปล่อยวางไปได้เยอะทีเดียว ไอ้ที่ผ่านมาไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้ ท, ทั้งที่ทุกข์ก็ยังเผือแบกอพอได้สตินี่มันปล่อยเลยนะในตัวละคนนั้นตอนหลังก็มาสนใจเรื่องธรรมะแล้วก็มาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาแล้วก็ตอหลังก็กลายเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานคนหนึ่งนะถ้าเอ่ชื่อก็คงจะเป็นหลายคนคงจะรู้จัก ก็เป็นคนที่ได้รั บ, รบรเลือปนชนยบุคคลคนหนึ่งนะของวงการตำรวจแล้วคนเราทุะความคิดแล้วไปยึดติดความคิดนั้นรวน้ไปยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่ามีสติรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันช่วยวางได้มันมีหลายวิธีนะที่จะช่วยทำให้เราคลายจากความทุกข์ใจได้เช่น น้อมใจมาอยู่กับปัจจุบันในเมื่อมันทุกข์เพราะอดีตพไปคิดถึงอดีตอนาคตก็เอาใจมาอยู่กับปัจจุบันสิหรือว่าให้ใจเนี่ยมากำหนดน้อมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่นิยมกันคือตามลมหายใจแต่ว่าของเรานี่ใช้การรู้สึกตัวกำหนดที่กายใส่ใจการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกที่กาย เมื่อแต่ก็ตามที่ใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายรับรู้รู้สึกที่กายเนี่ยมันก็วางนะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไปไอเรื่องที่จะคิดและคิดน้อยคิดลบคิดเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสนะการเจริญสติหรือว่าการทําสมาธิเนะี่ยมันก็ช่วยทําให้ หุดคิดหรือวางความคิดไว้ได้นะวางความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือการปรุงแต่งให้ความรู้สึกตัวนี่มันช่วยนะเพราะว่าความสึกตัวหรือความรู้ตัวเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยพ้นจากความหลงได้เพราะความหลงนี่แหละที่ทําให้เราคิดสารพัดสารเพคิดออกไปนอกตัวคิดแต่เรื่องลบเรื่องร้ายแล้วก็ทุกข์ใจเสียเองรวมทั้งปรุงแต่งด้วย ความกลัวก็เกิดจากการปรุงแต่งมากเพียงแค่ความสึกตัวเกิดขึ้นใ้ความกลัวก็หายไปเพราะว่ามันไม่มีความหลงมาปรุงให้เกิดความกลัวหลวงพ่อคำเขียนตั้งเคยเล่านะเมื่อสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆท่านก็ไปไปอยู่กุฏิที่ไกลๆ จะเรีกุติก็ไม่เชิงนะมันเป็นเพิงมากกว่าก็คือไม่มีฝา ม, มีประตูไม่มีหน้าต่างมีแต่หลังคาแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เจอศพของผู้ร้ายชาวบ้านก็เอาศพนั้นเนี่ยมาฝังก็จะว่าที่นะั้นตอนนัน้นเป็นป่าพุทธิยานนะมันก็เป็นที่สาธารณะจุดที่เขาฝังศพนี่ก็ใกล้ๆ ก, กับกุติของท่าน กติท่านอยู่ไกลท่านก็ไปดูนะปกติคนที่ตายแบบนี้นเขาไม่เาไม่เามผาเ้าฝังคนที่ตายนี่นเป็นโจร น, นะก็ตายมาหลายวันแล้วศพก็เน่าเขาก็ใส่โลงมาแล้วก็มาฝังก่อนที่จะยอนลงหลุมท่านก็ไปดูศพก็ก็เห็นศพแล้วก็ได้กลิ่นที่เหม็น ฝังสดท่านก็ขอขอโลงเขาเพราะว่าไม้นี่มันเป็นไม้ดีไม้กระดานท่านขอไม้กระดานเขาฝาโลงนี่แหละมาเพื่อจะทําเป็นไม้กระดานนอนไอ้ไม้นั้นมันก็มีกลิ่นนะน้ํามีเลือดมีหนองติดนะท่านก็เอาไปแช่น้ําเป็นเดือนนะแช่น้ําเป็นเดือนเสร็จก็ามา ตากแล้วก็มาขัดแม้กระ น, นั้นมันก็ยังมีกลิ่นกลิ่นเหม็นเนา่าท่านก็เอามาเอามาทําเป็นเหมือนกับแคร่แต่ว่ากลิ่นมันก็ยังโชยมาโดยเพราะเวลาฝนตกมันโชยมาเหม็นพอท่านได้กลิ่นเนี่ยท่านก็ยันึกถึงศพที่ท่านเห็นแล้ววันหนึ่งท่านก็หลับไปท่านฝันว่า ศพนั้นกลิ้งมาหาท่านท่านกลัวนะแต่ว่าท่านคือเป็นหมอธทำท่านก็เลยบริกรรมบริกรรมคาถาที่ท่านเรียนมาศพมันก็กลิ้งถอยไปพอท่านหยุดบริกรรมศพก็กลิ้งมาหาท่านอีกท่านสวดศมก็หายมันก็กลิ้งออกไปในความสโศนท่านกลัวไงท่านกลัวแล้วท่านก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ยังได้กลิ่นเหม็น ความกลัวก็ยังมีอยู่เพอะท่านรูน้ที่ท่านเริ่มสร้างจังหวะเลยเพราะอยู่มือสร้างจังหวะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นกลิ่นเหม็นหายไปความกลัวท่านก็หา ย, ยท่านบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีความกลัว เ, เลยอันนี้เรียกว่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าความคิดปรุงแต่งมันปรุงแต่งในตั้งแต่ในฝันแล้วแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังปรุง จนได้สึกได้กลิ่นเหม็นแต่พอยกมือสร้างจังหวะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความหลงก็หายไปหยุดปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแง่คิดหน้าที่พวกเรานะจะลองไปใช้ดูก็ได้นะเวลาอยู่ป่าเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาให้รู้ว่าเนี่ยนันเป็นเพราะความ หลงเป็นเพราะความไม่รู้ตัวปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นด้วยการสร้างจังหวะด้วยการเดินจงกรมนะมันก็ทำให้เกิดการปล่อยการวางได้การปล่อยวางนะมันทำได้หลายวิธีนะแต่สตินี่เป็นสติด้วยความรู้สึกตัวนี่เป็นเป็นเครื่องมือสำคัญเลยเพราะว่ามันทำให้ความหลงหายไปเมื่อความหลงหายไป มันก็หยุดปรุงแต่งมันทําให้ความมันไม่ทำให้เมื่อความลงหายไปการไปเผยยึดทั้งบวกและลบทั้งอิทธารมและอ น, นิธารมก็ก็หมดไปก็คือวางทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพรออาะยาทุกมากเ พ, พราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยน แต่ที่ไม่หลุดก็เพราะว่าไปเผลอยึดมันเอาไวนะ้เมื่อเผลอนี่อะไรที่เป็นปฏิบัติความเผลออะไรที่เป็นปฏิบัติความหลงก็คือความรู้สึกตัวความมีสตริรู้เท่าทันนะี่เวลาพูดถึงเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยหลายคนก็บอกว่าพูดง่ายแต่มันทํายากนะแต่ว่าวิธีหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นก็คือ สติและความรู้สึกตัวมันยังมีมันยังมีอย่างอื่นอีกนะแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกรณีเช่นถ้าโกรธเนี่ยเราจะปล่อยวางความโกรธได้ก็หรือว่าเราจะบรรเทาวความโกรธได้ก็ใช้เมตตาเราแผ่เมตตาเราจะเลเมตตาก็ทําให้เราวางความโกรธลงไปได้หรือว่าเราบําเพ็ญอภัยทานเมื่อเราให้อภัยนะความ ความโกรธมันก็หายไปมันก็วางได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการแก้เฉพาะกรณีกรณีเช่นเวลาเกิดการมาราค ะ, ะเราพิจารณาสุภาษมันก็ทำให้วางใ้การมาราคะก็บันเทาธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยหมายถึงส่วนที่เป็นกุศลธรรมนะมันจะแก้มันจะช่วยให้วางเป็นเรื่องๆไปนะ แต่สติหรือความรู้สึกตัวนี่ใช้ได้สากลก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อกุศลใดๆรวมทั้งอารมณ์กุศลด้วยนะหมายถึงว่าที่เป็นบวกเช่นความเพลิดเพลินยินดีความเคริบเคลิ้มหลงใหลายเนี่ยนะไม่ว่าตัวไหนตัวไหนเนี่ยสติหรือความรู้สึกตัวมันช่วยปล่อยช่วยปลดช่วยวางได้นะไม่ได้ไม่ได้ไ ใช้กับเฉพาะกรณีในกรณีหนึ่งเท่า น, นั้นไม่เหมือนเมตตากรุณาที่ใช้ได้เฉพาะกับความโกรธความเกลียดหรือว่าอาสุภะความพิจารณาถึงความไม่งามมันก็ช่วยปล่อยเรื่องราคะใช้ได้เฉพาะกรณีกรณีแต่ว่าสติของสึกตัวนี้ใช้ได้อย่างเป็นสากลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราควรสร้างให้มีขึ้น เพื่อให้สติของเราเข้มแข็งเพื่อความสุขดวงเรากลับมาอย่างว่องไวซึ่งช่วยทําให้ความยึดติดนะมันจางคลายไปแม้ว่าจะเป็นการยึดติดเฉพาะครั้งเฉพาะคราวก็ตามยังไม่ใช่เป็นการปล่อยวางอย่างถาวร น, นะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อไปอ่ะคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะกระับพระ